พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5ตุลาคม2556ในโอกาสอบรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มีชื่อเรื่องว่าปัญหาขาใจ3ข้ อ, เ อ, อเอ็มพส สามนหนังสือแจกทางคูบาทางลมบันไดนะและคณะสัตยาญาติโยมผู้ใดอยากจะได้เอ็มพีสาหนังสือหลวงพ่อแต่ก็พวกเราอยู่ทางไกลหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดอะไรให้ฟังแล้ว จ, จะฟังสักหน่อยบ่เอาฟังสักหน่อยก็ฟังมาเอานั่งให้อยู่ในความสงบซะก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากนั้นถ้าฟังยังไม่จุใจนะฟังยังไม่จุใจลงไปรับเอา MP3 อ็มีสาที่หลวงพ่อพอัดไว้เนี่ยอยู่ในนี้มันมีอยู่สองแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยฟังจากเพชรบูรณ์ไปถึงกรุงเทพฟังจากกรุงเทพถึงเพชรบูรณ์หมดไปแผ่นหนึ่งครนี่แหละลงไปเดี๋ยวกูบาจะแจกให้นี่อันนี้ก็เหมือนกั น, นแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองบอกว่าเอ3พสามของหลวงพ่อเนี่ยทีแรกก็ไม่มีรูปของหลวงพอ่อนะ ก็มีคนทักทวงว่นาน่าจะมีรูปหลวงพ่อใส่สักหน่อยเพื่อจะให้รู้ว่าหลวงพ่ออินถวายนี่เป็นรูปลักษณะอย่างไงหลวงพ่อก็เลยให้เขาทําให้รูปเล็กๆหลวงพ่อเอ้รูปเล็กหนึ่งตัวหนังสือมันเล็กเกินไปนา่าจะเป็นหนังสือตัวใหญ่ๆ<ข> อ, อ่พ อ, อในสุดก็เลยส่งรูปไปบอกว่าให้ใส่เล็กๆอย่างเก่าเนี่ยนะพอไปถึงบริษัทเขาซัดรูปบลักใหญ่เลยเลยเหมือนรูป ดาราแก่แล้วเหมือนกันเถอะโอ้ยหลวงพ่อเห็นก็เลยไม่รู้จะทํำยัำยงไงตายแต่า ต, า ย, ตายลูกล้านเลยตัวหนังสือกลับเล็กอีแต่สิเอาไม่จริงหน้าจะใช่มันหนังสือใหญ่เพอจะอา่านง่ายๆสําหรับผู้สูงอายุนะแต่ได้กลับมาทำให้หลวงพ่อเป็นรูปใหญ่ขึ้นมานะเอาเถอะว่าเอายังไงกระแจกมันหมดๆไปเขาเอาขึ้นมาเมื่อเดือนเมษาหลวงพ่อก็แจกไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะเขาทำมาม า, มากหลาย เ, าเป็น หลายพันนะปัจจุบันนี้ลูกหลานก็คงจะลงไปรับข้างล่างนะรับข้างล่างจากครูบาอาจารย์แต่ถึงถ้าว่าใครไม่มีเครื่องฟังนะผู้ที่ไม่มีเครื่องฟังก็มีไม่รู้จัก m อ3คืออะไรไม่มีเครื่องฟังอย่าไปเอาเอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เอาหนังสือได้นะจะแจกหนังสือให้หนังสือเนี่ยว่าต่อตอหนังสือต่อตอคําแนวอริยสัจ การรังสือคนของคุณแม่ชีแก้วมีอยู่สองสามเล่มแต่ตตตนี่คือของพ่อตั้งอยากจะให้มันทันสมัยอย่างนั้นแหะแต่ต่ต่อ่เนีทุกวันนี้เขาชอบพูดภาษาอักษรย่อมากปปมกกตอบตอะไรลักษณะอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็เลยอยากอยกให้มันทันสมัยเหมือนเขาหลวงพ่อเลยตั้งมาชื่อว่าต่อต่อต่อเลยสต่อเล สามตอนนีนคืออะไรเตรียมตัวตายมันเออตอต่อเ ต, ตรียมตัวตายทำไมจะว่าเตรียมตัวตายหลวงพ่อบอกว่าต้องคิดไวเป็นภาษาใจของตนเองถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดฮะจริงไหม ถึงจะรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพระเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาฮะอันนี้จริงไหมนี่แหละเที่ยวให้เตรียมใจเอาไว้ให้คิดเอาไว้ต่อๆเตรียมตัวตายอย่าไปโกรธให้ใครกิจะไปโกรธมากจนเกินไปรักใครก็อย่าไปรักมากจนเกินไปจนตนเองเสียสูญบางคนรักเขา รักลูกรักหลานรักใครต่อใครจนตัวเองเป็นบ้าฆ่าตัวตายก็มีเพราะรักเขารักรักอย่างนั้นรักแบบโง่ถ้าโกรธให้ใครของมันกันโกรธจนคิดว่าตัวเองจะอยู่โชคฟ้าดินสลายคิดว่าจะตายตัวเองจะตายไม่เป็นก็เลยโกรธให้เขาอย่างมากโกรธให้โง่ทําไมเพราะเราเราเกิดมาแล้วก็ผ่านกันไปผ่านกันมาเออเอกไม่กี่วันเขาก็ตายจากเราเราก็ตายจากเขาเท่านั้นแหละ ไม่เห็นจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายเมืออ่อไหรเราจะไปโกดให้โง่ทําไมเราจะไปรักให้โง่ทําไมฮเนี่แหละหลงพ่อนต่อๆๆแล้วก็มีพระฝรั่งเข้ามาถามปัญหาอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มที่ต่อๆๆเขาถามว่าพระฝรั่งนะเป็นชาวเยอรมันอายุประมาณสี่สิบเกือบจะเข้าห้าสิปีแล้วล่ะเขาบวชมา10บกว่าพรรษา เขาก็มาถามน น, นั่งอยู่ตรงนี้แหละตรงที่สลาหลวงพ่อน่กลางคืนนะวันนั้นผมงพ่อไปชุมพระอยู่ที่วัดเนี่ยไปชุมพระหลวงพ่อจะไปชุมพระบ่อยเขาก็ถามว่าหลวงพ่อครับผมเป็นชาวเยอรมันเป็นพระบวชมาสิบกว่าพรรษาเคยไปต่างประเทศหลายแห่งผมอยากจะถามปัญหากับหลวงพ่อ่ขอให้หลวงพ่อตอบปัญหาที่ผมจะถามด้วยหลวงพ่อเอ้ย ท่านถามที่ไหนมาพอแรงแล้วจะมาถามลองเชิงมาถามเล่นๆกับผมไปตอบไปตอบไปไม่ใช่ผมถามที่อื่นผมก็ถามแต่นี้ผมอยากจะถามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะตอบพบว่ายังไงคําถามที่ผมจะถามเนี่ยผมคิดว่าคําถามที่ผมถามเนี่ยอครูบาอาจารย์คงจะไม่ตอบเหมือนหลวงพ่อตอบหลวงพ่อก็คงจะไม่ตอบเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ผมถามมาตอบเพราะฉะนั้นผมอยากจะรู้ว่าแนวความคิดที่ผมจะถามเนี่ย ครูบาอาจารย์จะตอบว่าอย่างไรผมอยากจะรู้ผมอยากจะรู้เองในการที่ผมถามเลยหรืออาถามได้ปะคงครูบาอาจารย์คงไม่ตอบเหมือนกันแน่เพราะครูบาอาจารย์นานาจิตต่างนานาทัศน์จะต้องมีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันจะต่าการตอบปัญหาจะให้ตอบเหมือนกันเหมือ่อกระทองหนังสือทองน้โมูคงเป็นไปไม่ได้ฉั้นก็ถามว่าผมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอ ไปตรวจหมอก็ว่าผมเป็นไวรัสซีต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะกลายเป็นมะเร็งตับตามขั้นตอนผู้ที่เป็นไวรัสซีนี่โดยมากจะเป็นลักษณะนี้เกือบทั้งนั้นแต่ใครจะเป็นช้าและเป็นเร็วเท่านั้นอ่ะสุดแท้แต่ใครจะรักษาสุขภาพตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนผมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็จะต้องเข้าไปหาหมอ โดยมากก็มีแต่หมอหญิงและก็ไปนอนโรงพยาบาลก็มีพยาบาลหญิงซะมากกว่าจะหาพยาบาลชายนยากแต่นี้เราก็รู้ว่าเป็นพระพยาบาลหญิงมาปนในบัตรหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอาการหนักเราช่วยตนเองไม่ได้พยาบาลหญิงก็ต้องมาเปื้องผ้าแก้ผ้าเขาก็เช็ดร่างกายให้เราเราก็ว่ามันไม่ถูก ในพระวินัยของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตว่าเมื่ออายุเมื่อป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยผู้หญิงมาปฏิบัติเช็ดร่างกายให้ได้ในพระวินัยไม่มีถ้าเช็ดเข้าไปก็ผิดวินัยแต่จะทำยังไงได้ผมช่วยตนเองไม่ได้พยาบาลก็มาเช็ดร่างกายให้ผมผมก็รู้ว่ามันผิดและจะทำยังไงผมขอถามท่านอาจารย์สิว่าถ้าถึงอาการอย่างนั้น หนักถึงขนาดนั้นแล้วเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์ฟังดูซิทีนี้ถ้าใครไม่ฟังถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้ล่ะหลวงพ่อตอบเขาว่าไงให้อ่านดูสิว่าหลวงพ่อตอบเขาว่าไงเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดีตามความเห็นของท่านอาจารย์แต่นี้ คำถามที่สองเขาถามว่าในขณะที่ป่วยหนักใจจะขาดออกจากร่างใจจะหลุดออกจากร่างในช่วงนั้ น, นะจะภาวนาอะไรจึงจะถูกต้องที่สุดจะบริกรรมกรรมฐานไหนจึงจะถูกต้องจะกำหนดอะไรจึงจะถูกต้องจะพิจารณาอะไรจึงจะถูกต้องจะยึดอะไรในช่วงนั้น และจะปล่อยวางอย่างไงจึงจะถูกต้องตามความเห็นของท่านอาจารย์ เ, เขาถามนะให้ว่าช่วงที่ใจจะขาดในช่วงนั้นละ่ะจะทำใจอย่างไงเนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูดในนั้นอธิบายให้ฟังว่าควรจะทำาใจอย่างไงในขณะที่ใจจะขาดหลวงพ่อจะฟังให้พูดให้ลูกหลานฟังขณะนี้ก็คือว่าถ้าหาว่าเป็นนักปฏิบัตินักภาวนา เวลาใจจะขาดอย่างนั้นเราจะต้องวิ่งเข้ามาหาดูใจตัวผู้รู้ยึดตัวผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยวางกระทั่งผู้รู้อีกแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็เห็นน้อมนึกคือว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในอดีตแต่ชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดี ที่ข้าพเจ้าระลึกได้หรือไม่ลระลึกได้ก็ดีบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอให้มาประมวลเข้ามาสู่จิตใจของข้าพเจ้าโดยเทิดข้าวนี้ข้าพเจ้าจะไปละอันนี้คล้ายๆว่าเป็นการรวบรวมบุญกุศลที่พวกเราได้ทําไว้ในอดีตให้มาอยู่ในจิตใจของพวกเราอันนี้นั่นแหะจากนั้นเราก็ล่วงรับดับไปก็ไปสู่สวรรค์ได้เพราะเราเระลึกถึงแต่คุณงามความดี แต่เราระลึกถึงความชั่วทีนี้ก่อนที่จะตายระลึกถึงโกรธโมโหโกธาให้ลูกให้ล้านว่าทำไมไม่มารักษาข้าทำไมจึงเงินของข้าหาไว้ตังหมากไม่ทำไมจึงขี้ตนีทีเหนียวทำไมไม่ช่วยดูแลสุขภาพของข้าโกรธให้เขาอย่างนี้ออพอตายด้วยความโกรธท่านว่าผู้ผู้ใดก็ตายผู้ใดก็ตามตายในขณะที่ความโกรธจกไปเกิดเป็นเสือนะ จะไปเกิดเป็นเสือจะไปเกิดเป็นงูเพราะเหตุไรเพราะว่าตายด้วยความโกรธ เ, เพราะนั้นเรื่องก่อนตายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราพนะักศึกาญาติโยมลูกหลานนะก่อนที่จะถึงจุดจบจุดนั้นนะร ะ, ะลึกถึงคุณงามความดีใระลึกถึงบุญกุศลท่านนี้ก็ปัญหาที่สามเขถามมันสามข้อวันนั้นเขาถามว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์ ก็ได้รับความสงบทางด้านจิตใจดีแต่ผมคิดว่าถ้าออกไปอยู่ปฏิบัติตามลำพังคงจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้อง เ, อเราไม่ต้องรับภาระในวัดมีแต่ภาวนาลูกเดียวตื่นขึ้มาภาวนาเดินจงกรมภาวนาคนเดียวจะดีกว่าแต่นี้ผมก็ลาครูบาอาจารย์ไปออกธุดงออกไปเที่ยว พอไปใหม่ๆมันก็ดีพอมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแต่พออยู่ต่อไปต่อไปคนนั้นมาหาคนนี้มาหาก็เลยจิตใจของผมส่งนอกทีนี้ส่งออกส่งออกส่งออกจนจนผมอยากจะศึกทีนี้ผมอยากจะศึกถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านอาจารย์จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเขาถามสามปัญหาเนี่แหละหลวงพ่อตอบเขาใน ในหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือต่อๆเนี่ยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะย้ําจุดทีเ่เวลาที่ใจจะหลุดที่ใจจะขาดออกจากร่างควรจะทําใจอย่างไรจุดนี้แหละเพราะว่าพวกเราจะต้องเดินจุดนี้ทุกคนแต่พูดทางนี้ทั้งนั้นเ อ, อมหาหลวงพ่ออิ น, นมามีแต่พูดเรื่องความตายให้ฟังตามไม่จริงไม่ใช่เลยเพราะว่าพวกเราจะต้อง ผ่านจุดนั้นแน่นอนถึงจุดนั้นแน่นอนแต่เมื่อจุดนั้นมาถึงพวกเราจะมีวิธีการอย่างไรอันนี้คือวิสูจสอนมวยไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าทะเลาะทาร่าเข้าไปแล้วก็พยามัจยุราชน็อกเอาได้ง่ายๆพวกเราไม่ได้เตรียมตัวอันนี้พวกเราที่หลวงพ่อมาหลวงพ่อให้สอนมวยใหเ้เวลาปัจจันหน้ากับมัจยุราชนะ ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องหลบเลี่ยงอย่างนี้ต้องชกอย่างนี้ฮะนี่แหละถ้าว่าพวกเรารู้จักรบรู้จักหลีกเลี้ยงรู้จักวิธีการพวกเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขในใจถึงพญามัจยุราชถึงเขาจะป้นบ้านป้นเมืองไปแต่เราก็มีสมบัติติดตัวไปเราขนสมบัติออกไปก่อนแล้วพญามัจุราชได้แต่ร่างเปล่า ได้แต่บ้านล้างแต่สมบัตินั้นพวกเราขนออกไปย้า้ไปสร้างเมืองอื่นอีกต่อไปจนกว่าที่พวกเราจะพ้นทุกในวัฏสงสารอันนั้นแหละคือถึงแดนปณิพานเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตายแล้วไม่สูญนะคณะสัตยาย า, าตโยมตายแล้วเกิดอีกแน่นอนที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีการในช่วงที่ใจจะดุจขาดออกไปนะนะั้นทาใจอย่างไง ถ้าว่าพวกเราภาวนาถ้าว่าผู้ภาวนาโดยมากพวกเราได้ศึกษาหรดูซิว่าฤาษีชีภัยที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชในครั้งพุทธกาลหรืว่าในชาดกนั่นนะชาติไหนที่พระพุทธเจ้าหนีไปบวชอยู่ในป่าป่าดวงคงไพ่ท่านจะบําเพ็ญตระปะภาวนาเพ่งกระสินท่านก็ได้สําเร็จฌานสมาบัติจากนั้นท่านก็ไปสู่พรหมโลกเป็นส่วนมาก แต่พบไรชาติใดที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเศรษฐีท่านมาเดนี้ออกไปบวชท่านบำเพ็ญอยู่ในการให้ทานรักษาศีลท่านจะไปสู่สวรรค์จะมากกว่านี่แหละคือสวรรค์กับพรหมเลแยกกันนะสวรรค์ก็คือผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลพวกนี้จะไปสู่สวรรค์แต่ว่าพวกใดตั้งจกอกตั้งใจภาวนา จนจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นหนึ่งอัปปนาสมาธิพวกนี้จะไปสู่พรมเกือบทั้งนั้นนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายให้ตั้งใจภาวนาตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พี่น้องอจบลงไปเมื่อกันทีแล้วหลวงพ่อว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนให้นั่งภาวนา ทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจที่รวมสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจใจกับร่างกายเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจพะนั้งใจกับกายเนี่ยใจก็คือนา ม, มธรรม ร่างกายคือรูปประธรรมแต่ไปอาศัยกันอยู่หลวงพ่อเปียบให้พวกคณะสัตยาญาติโยมได้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจคือนะมามธรรมเหมือนกับคนขับรถแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญคนขับรถมากกว่ารถเพราะว่ารถเนี่ยมันก็เป็นของใช้ถ้าโซเฟอร์ขึ้นไปขับ โชเอมีกิริยามารยาทดีมีนิสัยดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีรู้จักสูงรู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควรมีเมตตาในจิตใจเวลาขับรถไปไปเห็นไก่ไปเห็นหมาก็ไม่เหยียบไม่ชนมันเออไม่เหยียบสัตว์ไม่เหยียบงูไม่เหยียบเออจิงจกตุกแก่ปล่อยให้มันไปซะก่อนชะลอชะลอให้มันไปพอไปเหยียบเขาเข้ามันก็ตายเออใครๆก็ไม่อยากจะตายจึงจะเป็นทิ้งข้อ จริงจกตุกแกก็เถอะมันก็กลัวตายทั้งนั้นเพราะฉนั้นคนที่โซเฟอร์ที่มีนิสัยดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมที่ดีขับรถไปมันก็จะไม่เหยียบสัตว์ไม่ชนสัตว์ไม่ลังแกสัตว์แต่ถ้าว่านิสัยโซเฟอร์ไม่ดีพอเห็นสัตว์ก็เหยียบเพอมันตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้ชะลอมันเลยไม่ได้ดูมันเลยเหยียบมันเลยอันนี้ไปว่านิสยัยโซเฟอร์ไม่ดี แล้วก็เห็นคนกับบีบแก๊สด่าการาดไปเรื่อยอันนี้แหละอันนี้แปลว่าโซโฟเฟอร์นิสัยไม่ดีเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นในร่างกายของเราก็นี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าใจของเราไม่ได้รับการอบรมไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเมื่อเขามาอยู่ในร่างกายของเราพูดอะไรก็มาก็มีตหมัดมีตมวย มีแต่จะฆ่าจะตีมีแต่รังแกเบียดเบียนคนอื่นปากออกไปกระดาป้งดาป้างดาใครต่อใครเพราะเหตุไรเพราะโซเฟอร์เนี่ยคือใจดวงนั้นน่ะไปได้รับการอบรมที่ดีถ้าใจของท่านได้รับอบรมการอบรมที่ดีแล้วใจของท่านก็จะเป็นคนมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนโนปุพังนั่นแหละ การเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรัวใจแต่พระพุทธเจ้าก็มีธาตุขันร่างกายเหมือนกับพวกเราพระหันก็เหมือนกันมีธาตุสีดินน้ํามลมไฟมีร่างกายเหมือนกันแต่ใจของท่านมันโนคํานั้นละ่ะตัวผู้รู้ดวงนั้นละ่ะที่ท่านชําระแล้วใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านได้เป็นพระรหันเอ็มเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระหัน แต่ถึงจะไปถึงขนาดนั้นก็เถอะเราเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปสู่พระอริยะพระโสดาสกทาคานาคารหารันให้พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละให้ฝึกฝนทางด้านจิตใจเรื่องร่างกายเนี่ยถึงจะเลี้ยงอิ่มมีผีมันเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะให้พวกเราให้ดูสิว่าถึงจะหาอาหารอย่างดีให้ร่างกาย ท, ทานทุกคาทุกเวลา เวลาทานอาหารและก็หายาอยา่างดีเลี้ยงร่างกายใส่ยาให้ดีเลี้ยงร่างกายหาเสื้อผ้ายางดีให้ร่างกายนี่ห่หใส่นุ่งหม่มสร้างบ้านเรือนอยา่างดีให้ร่างกายอยู่อาศัยถึงจะปัดใจสี่อาหารดีเสื้อผ้าดียาดีที่พักพาอาศัยดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายของเรานี่ยยังเป็นอื่นอยู่เสมอ เลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไปเลี้ยงไปได้ก็เห็นผมงอกเออแล้วก็หนังเหี่ยวตาฝ้าฟางหูตึงฟันหลุดนะเป็นลักษณะอย่างนั้นาะในสูนก็นถึงจุดจบพ้องมันนั่นละร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนแก่เจ็บตายอยู่ในที่สุดแต่เมื่อตายไปแล้วน่ยเออมันไม่ใช่ตายแต่กา ย, ยเนใจของเราเจ้า้องออกจากร่างทีนี้เออมนโนคำนี้นะี่ะคือใจเนี่ยนะออกจากร่าง เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาท่านดูแล้วว่าควรจะอบรมทางด้านจิตใจดูใจใจตรงนี้ทำให้สูงก็ได้ทาให้ต่าก็ได้ให้เป็นนักเรงหัวไม้ก็ได้ทำให้เป็นปราดก็ได้เพราะนั้นท่านจึงไปอบรมไปศึกษาไปนั่งภาวนาท่านจึงได้นำธรรมคำสอนมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาให้ทานอย่างนี้เนอะรักษาศีลอย่างนี้เนอะ ภาวนาอย่างนี้นะเนอะเราจะเป็นคนดีแล้วก็ทางโลกจะให้ขาดตกบกพร่องอาการทํามาหาเลี้ยงชีพจะให้ขาดตกบกพร่องแต่ธรรมะทางด้านจิตใจอาหารเข้าทางใจคือมโนคํำนั้นแนหะคือตัวผู้รู้นะ่ะควรจะเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตใจอย่างไรใจของเราจะได้รับต้องได้รับการอบรมอย่างไรด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างไรให้อบรมใจด้วยเนอะ อย่าไปชะาละใจเนะ้อใร่างกายนี่แต่ตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่ใจนี่ออกจากร่างนะถ้าใจของเราไม่ได้รับการอบรมใจของเรามีบาปใจของเรามีอกุศลถ้าใจของเราทำแต่กรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนั่นแหละกรรมชั่วนั่นแหละจะติดตามของเราไปสู่พรนโลกภายภาคหน้าเกิดมาพบหน้าชาดหน้าก็จะเกิดเป็นคนบ้าใบาเสียจิตหูหนวกตาบอดเป็นได้ทั้งนั้น อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเฉลยดีกว่าให้ทำแต่กรรมดีถ้าทายใครกรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญผาสุขเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัตยาญาติโยมลูกหลานถึงพระน้องหนุง่งทั้งหลายเนอร์ให้ประกอบแต่คุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็พวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะพ้นทุกข์ ในวัตฏะสงสารตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเราเอาไว้นะการกล่าวก่อนต้อนรับน้องหนุ่งทั้งหลายศรัทธา ญ, ญาติโยมทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอหยุดติเพียงเท่านี้นาะ